อมัสสะธรรมะปริยัตสะอัถโสาญาตสะมันเตหิสกจังธรรมโมโสตบโบติอ้า <c> ว <oughs> โอกาสตอนนี้ไปโอกาสเป็นเวลาอันนี้ เรยว่าเป็นมงคลกาเรณนะธรรมสวนณังเอตัมมังกรมุตตมังการฟังธรรมการฟังธรรมะตามโอกาสตามเวลาอันเหมาะสมอันสมควรย่อมนำมาซึ่งอุดมมงคลคือความสุขความสงบแห่ง จ, จิตใจ เพราะฉะ้นโอกาสนี่แหละเป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้ปล่อยวางการงานจิตบ้านการเรียนต่างๆแล้วมาตั้งจิตตั้งใจนำกายใจมาสู่สถานที่อันเป็นที่อบรมเป็นที่ ประพฤติปฏิบัติคือสาราอนุสรนแห่งองค์หลวงตามหาบัวที่บริษัทเวอรีนาแห่งนี้ซึ่งเคยได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเช่นเคยที่เคยปฏิบัติมาในเบื้องต้นก็ได้ทำการ ราบไว้นมัส ก, การสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์สาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะเจริญพระพราถาบทพระธรรมเทศนาหรือบทแห่งการสรรเสริญเพื่อให้เกิดคุณงามความดี ที่พระบรมศาสดาสมาสพรพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้เช่นบทกรณียเมตตาสูตรการเจริญราถาเมตตาเป็นการน้อมนำจิตใจของเราให้เกิดความเมตตาอาลีเพื่อเฟื้อเพื่ อ, อแผ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย บุคคลทั้งหลายที่อยู่ในรอบรอบตัวของเราให้ได้รับความสุขแห่งบุญคือความดีที่เราได้กล่าวทางวาจาท้อยคำที่เป็นสุภาษิตเป็นเหตุให้เกิดบุญแล้วก็ได้เจริญราคาถามเมตตาสูตร แก่ขันทะปริษการแสดงแผ่เมตตาถึงพวกที่เป็นสัตว์เลื่อยคานทั้งหลายหรือผู้เป็นหัวหน้ามีพยานาคราชทะตะนาคราชเป็นต้นใ น, ในบทยูดูปเขที่พวกเราได้ จเจริญไปในสวดสาทยายเป็นการกระทาในเบื้องต้นด้วยการสํารวมกายสํารวมวาจาเอากาตอนนี้ไปสํารวมจิตใจให้เข้าสู่ความเป็นธรรมให้เข้าสู่ความเป็นปกติปกติแห่ง ฐานของธรรมะแก่ใจของเราใจนี่แหละเป็นฐานเพื่องรองรับธรรมะทั้งที่เป็นหินธรรมมัชิมธรรมปนิตะธรรมคือธรรมฝ่ายเลว ก็เกิดขึ้นที่ใจรรมที่เป็นมัชิมะเป็นกลางกลางหรือธรรมอันประนตสติปัญญาที่จะรู้สภาวธรรมทั้งหลายโดยละเอียดสิ้นเชิงถอนเสียถึ ง, ถ อ, ถ, งถอนเสียซึ่งอุปทานความรุ่มหลงแล้วก็ไปยึดมั่นถือไม้มั่นในสิ่งที่ ไม่เป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ถอนด้วยปัญญาณชอบนั่นจึงจะเลือแต่ความเป็นธรรมอันแท้จริงใจนี่แหละเป็นฐานรองรับธรรม ธรรมคือสภาวะที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปธรรมรูปธรรมก็คือตัวตนร่างกายของเรานามธรรมก็คือ ใจความรู้และกิริยาที่เกิดจากใจที่มีใจเอาไปสัมผัสรับรู้ด้วยสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาแล้วนี่ก็มีใจเป็นผู้รู้ส่วนกายเป็นรูปประธรรมก็มีใจเป็นเจ้าของ มีใจเป็นผู้รับรู้รับทราบความสุขและความทุกข์ดีหรือชั่วบุญหรือบาปคุณหรือโทษประโยชน์และมีช่ยประโยชน์เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้รองรับอาการความสุขและความทุกข์ที่ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปบุญ ก็คืออาการให้เกิดความสุขทั้งกายสบายทั้งใจบาปเป็นอาการที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนี่ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปก <c oughs> ็จะนั่นรวมว่าธรรมะคือกายกับใจปจ <c oughs> ันนี้พวกเราได้มา ฝึกฝนอบรมกายใจให้เข้าสู่ร่องรอยแห่งความเป็นธรรมะเป็นธรรมะสมา ธ, ธิิเป็นความเห็นถูกเห็นชอบตามเหตุและผล <c oughs> ที่ได้ยกอาสิทธิขนว่าธรรมะกาโมพวังโหติ ผู้ใครผู้ใครควรผู้ใครในการประพฤติปฏิบัติสํารวมกายวาจาจใจให้เป็นธรรมย่อมมีความเจริญคือเจริญในธรรมมันตรงกันข้ามถ้าผู้ไม่ยินดีไม่ใคร่ไม่พอใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านก็บอกไว้ว่าธรรมเดชสีปรพาพโวผู้เกลียด ร, รมผู้ชังทรรมผู้ไม่ยินดีไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติทำเหตุที่ให้เกิดเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ย่อมเป็นผู้ชิบหายคำว่าชิบหายก็คือชิบหายจาก ผลที่จะได้รับก็คือความสุขความสุขความสมปรารถนาความสุขกายสบายใจก็จะได้ผลตามเหตุคือความเป็นทุกข์ถ้าผู้เกลียดทำผู้ชังธงทม ในวันนี้พวกเราเป็นผู้มีความยินดีในธรรมปฏิบัติในการนำกายนำวาจานํำจิตใจให้เข้าสู่ร่องรอยเข้าสู่บรรทัดฐานแห่งความเป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรม จึงได้มาปฏิบัติการฝึกฝนอบรมให้เป็นธรรมมีการน้อมนำกายของเราซึ่งเป็นฐานเป็นต้นต่อเรียกว่าเป็นที่อาศัยของใจคือกาย ใจอาศัยกายเป็นบ้านเป็นเรียนเป็นที่สัมปยุทธแห่ง จ, จิตใจที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้ถ้าพวกเทวดาพวกเทวดาพวกเทพเทวดาชั้นต่าง นับแต่ภูมิเทพลูกคเทพชั้นสั้นจาตุลมุสิตาจาตุมตวะตึงสามีต้นไม้มีสถานที่ต่างๆเป็นที่อาศัยเป็นที่ซ่อนอยู่ จิตวิญญาณนั่นก็ไปซ่อนอยู่ตามต้นไม้นั่นลูกคาเทพภูพมิเทพก็ไปซ่อนอยู่ตามดินตามจอมปวกสถานที่ต่างๆเป็นที่อยู่เป็นวิมานในสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์มีกายเป็นวิมานของใจ เป็นที่อยู่ของใจแล้วก็จะได้อาศัยเนี่ยกายใจเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมคือสร้างความดีสร้างความดีด้วยการบำเพ็ญมูลกุสนทานศีลภาวนา มีกายมีใจเป็นที่ตั้งพวกเราได้ทําทานการกุศลเรียกว่าสแสวงหาสมบัติสมบัติภายในอาศัยกายกับใจนี่สร้างสมบัติสมบัติเครื่องอาศัย เรียกว่ารัทรับภายนอกสแสวงหาปัจจัยสี่เครื่องอาศัยเงินทองเข้าของเครื่องนุ่งห่มอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยก็อาศัยกายกับใจนี่แหละ แหวงหาทรัพย์ภายนอกปัจจัยสี่เครื่องอาศัยเยาวัตถุสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นเครื่องอาศัยของกายสิ่งที่เป็นนามธรรมาคือบุญกุศลเป็นเครื่องอาศัยของใจเป็นอาหารใจวัตถุธาตุดินน้าเป็นอาหารของกาย เรียกว่าเป็นวัตถุสมบัติเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยส่ยสวนภายนอกเรียกว่าทรัพสมบัติหลักฐานต่างๆหลักทรัพย์หลักฐานส่วนหลักใจธรรมะบุญกุศลเป็นหลักของใจก็ต้อง สร้างให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจดังที่ท่านบอกไว้ว่าทรัพย์ภายในเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อนเปรเซิดทรัพย์อนเปรเซิดจากะศรัทธาศรัทธาความเชื่อ ศรัทธาจาคะศีระพระหุสัจหิริโอตปะปัญญา mm hmm. อันนี้เรียกว่าเป็นซับภายในเป็นนามธรรมเป็นอาการเป็นลักษณะ mm hmm. ที่ให้เกิดขึ้นสัมผสัสกับจิตใจเป็นศรัทธาความเชื่อ ศรัทธาสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อในบุญในบาปเชื่อในการกระทำสิ่งที่ดีเหตุที่ดีก็ย่อมนํามาซึ่งผลที่ดีเชื่อในทานในศีลในภาวนา เชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเชื่อในการกระทำไม่ว่าเชื่อกรรมเชื่อการกระทำว่าเรากระทำดีล้ะทำสิ่งที่ดีๆแล้ว กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอางกายของเราวขวัขวายช่วยในกิจที่ชอบกิจที่ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่นแล้วก็ได้กระทำกายกรรมวจีกรรมกล่าววาจาที่เป็นสุภาษิต เป็นการแนะนำพำสอนบอกอบรมเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความถูกความผิดเรื่องความดีความชั่วต่งตางๆนี่เป็นการสร้างกรรมดีทางวาจาจิตใจมโนกรรมนึกคิดเป็นเมตตาปาทนาให้เป็นสุข แร่ว่ามีความเห็นชอบเห็นตรงนึกคิดในการให้อภัยในการช่วยเหลือปลดเปืืองพยาบาทอาขาดจองเวรในเป็นมโนกรรมไม่คิดพยาบาทไม่คิดอิจฉาริษยา ไม่คิดประทุษร้ายจองกรรมจองเวรทำร้ายร่างผานไม่คิดละโมมีความโลภเป็นที่ตัง้งมีความเห็นชอบตามความเป็นจริงทำเหตุ ด, ดีทำได้รับผลดีทำเหตุ ชั่วยอมได้รับผลชั่วที่ไม่ดีได้รับผลไม่ดีนี่คือความเชื่อที่ความเชื่อจะต้องประกอบด้วยปัญญาจึงจะเป็นความเชื่อที่เป็นสัมมาเป็นความชอบถ้าเชื่อไม่ประกอบด้วยปัญญา เชื่อเพราะการได้ยินได้ฟังได้พูดมาได้ <c oughs> ยินมาแดีไม่ประกอบด้วยปัญญาที่นี่ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาก็เรียกว่าเชื่อกรำสรุปรวมลงกระชั้นซิดเดียวเชื่อกรำคือเชื่อการกระทำ ที่เราจะได้รับผลสวยวิบากเป็นความสุขความสมปรารถนาในกุศลกา ม, มาพรจรคือความสุขในสมมตินี่ออมาจากเหตุ ที่เป็นวิบากสนับสนุนให้อ่างกายของเราซึ่งเป็นฐานรองรับใจ ไ, ได้มีความสุขมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เกิดทุกเขเวทนาเพราะวิบาก <c oughs> ขันหรือ <c oughs> ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคเป็นภัยจน ทุกทรมานแสนสาหัสนี่เรียกว่าเพราะผลกรรมที่เราได้กระทาไว้ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้ได้ให้การช่วยเหลือให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นได้พ้นทุกข์ <c oughs> เมื่อเวลามีทุกข์มีความ เชื่อในกรรมการกระทำอุมีปัญญาพิจารณาให้เข้าใจว่าจิตเทียงมีอาสวะคือเครื่องเศร้าหมองห่อหุ้มอยู่ด้วยความโรคโกหลง ยังไม่มีปัญญาแจมแจ้งยังไม่ถอนอุปทานยังไม่ถอนความมืดออกจากจิจใจไดนะ้ยังต้องเวียน่หยตาเกิดท่องเที่ยวไปในพบน้อยและพบใหญ่เพราะสันการที่จะทำให้บริสุทธิ์หมดจด จากเครื่องเศร้าหมองเหล่านั้นได้ก็ต้องกระทำความดีอย่ า, ามีปัญญามีศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็มาทำกรรมดีด้วยทรัพย์คือจาคะศีละ มาปฏิบัติมีความเสียสละช่วยเหลือมีการสํารวมกายใจงดเว้นจากการกระทำบาปคือกระทำโทษด้วยกายด้วยวายจาและด้วยการนึกคิดทางจิตใจ <weer> เมื่อผู้มีศรัทธาความเชื่อ ในเหตุและผลด้วยปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐอย่างหนึ่งก็จะเข้าถึงความเสียสละด้วยปัญญาเป็นความเสียสละที่แท้จริงเรียกว่าจาคะความเสียสละหรือว่าทานหน้าการให้ แล้วก็จะเว้นจากการทำบาปทั้งปวงได้ด้วยปัญญาเห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษของบาปคือการที่ไม่เว้นจากบาปการทำบาปทางกายทางวาจาทาง จ, จิตใจ เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วก็เห็นโทษว่ามันเป็นโทษเมื่อทำลงไปแล้วก็จะสามารถละบาปนั่นได้ในเรว่าปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมได้มีศรัทธาเชื่อมั่นด้วยปัญญาแล้วเชื่อมั่นในเหตุผลก็เสียสละสิ่งที่เป็นบาป ออกไป <c oughs> แล้วก็สำรวมความเป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดขึ้นเรียกว่าสำรวมไม่ทำบาปทางกายทางวาจา์ไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกหลอกลว ง, งํำพางไม่ดื่มกินเครื่องดองของเมาทำสติของตนให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ด้วยการภาวนากำหนดรู้มีสติควบคุมใจมีสติเป็นเพียนสองของใจเห็นในขณะนี้เรานั่งฟังธรรมะอยู่นี่ปฏิบัติธรรมด้วยความมีสติกำหนดรู้ที่จิตใจไม่ปล่อยให้เผลอไปละลึกรู้ ตามสัญญารมอย่างอื่นภายนอกขณะนี้ฟังการอธิบายธรรมะกำหนดรู้อยู่ในการฟังธรรมะนี่แหละนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมให้มีสติควบคุมใจเป็นสัมปชัญญะเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะ เป็นผลเกิดขึ้นที่ใจรู้ๆนั่นแหละก็จะมีความตั้งมั่นแน่วแน่เรียกว่าสมาธิความมั่นคงของใจหรือมั่นคงในการกําหนดรูปอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งระ ล, ลึกถึงความดีเป็นเครื่องรู้ของใจเครื่องระ ล, ลึกของสตินี่เรียกว่าเอาสิ่งที่ดีๆให้ เป็นอาหารของความรู้คือใจใจจะได้ชุ่มชื่นเบิกบานเกิดปิติเ อ, อื้ออิม่มนั่นแหละเป็นความเป็นความอิ่มของใจใจอิ่มต่อธรรมะอิ่มต่ออารมณ์แห่งธรรมอิ่มต่ออารมณ์แห่งอารมณ์ของความดีที่ ได้มีศรัทธาเชื่อก ร, ร ม, มต้องพิจารณาต้องภาวนาให้รู้เหตุผลจริงๆจึงจะได้ชื่อว่ามีความเชื่อก ร, รมเชื่อผลของกรรมผู้ใดมีจิตใจมีปัญญาเข้าใจถึงผลของกรรม ถึงเหตุแห่งกรรมหรือว่าเชื่อกรรมได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เร า, าเข้าถึงศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมเกิดจากการกระทาถ้าหากว่า เราไม่มีปัญญาเข้าใจในเหตุและผลของกรรมใจของเราจะเป็นทุกข์เพราะจะไปหลงตามอารมณ์เป็นหลงตามอารมณ์แห่งความหวงแหนอารมณ์แห่งความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เช่นร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็อยากจะให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ <c oughs> ไม่ให้เกิดความวิบัติต่างๆ <c oughs> นี่จะเป็นความเป็นความอยากที่ยังไม่ประกอบด้วยปัญญาเ <c oughs> พราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมมาพิจารณาเรื่องของกรรม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 การกระทำนั่นแหละกายกรรมวจีกรรมเมื่อทมในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีผลก็เป็นความดีแต่าหากว่าคิดผิดพูดผิดรู้ผิดเห็นผิดก็จะเกิดเป็นความทุกข์เส้นเรา เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บเป็นธรรมดามีความเก็บไข้มีความป่วยไข้เป็นธรรมดามีความแก่สุดท้ายก็มีความแตกดับสลายที่เรียกว่าตายไปเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมาให้เข้าใจความจริงในสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นที่ใจ เขาไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เก็บไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้พัดผ้าไม่อยากให้เสียไปสิ่งที่เรามีเราได้ทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นมีแล้วก็อยากให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นความอยากเป็นความอยากเป็นตัณหาที่ไม่ประกอบด้วยธรรม พระเ้าท่านจึงสอนให้ปฏิบัติธรรมก็มาพิจารณามาพิจารณาเรื่องกรรมหลังที่ก่าแล้วนี่ย <c oughs> มีศรัทธาเชื่อมัน่นประกอบด้วยปัญญาก็มาพิจารณากรรมมาภาวนา <c oughs> เหตุผลเหตุแห่งกรรมผลของกรรมเพราะว่ากายใจของเราเป็นผู้รองรับ เหตุและผลเป็นผู้กระทาแล้วก็เป็นผู้รับผลอาศัยกายอาศัยใจเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเมื่อให้ผลก็ให้ผลเกี่ยวกับกายกับใจถ้าเรามีปัญญาภาวนาเข้าใจถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วใจคือความรู้ก็ยอมรับความจริงแล้วก็วางสภาวธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงในเมื่อสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั่นก็ต้องดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั่นนั่นดับไปสิ่งใดไม่เป็นตัวไม่เป็นตนสิ่งนั่นก็เป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ ก็จะเข้าใจในธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมที่เราสร้างศรัทธาที่เรียกว่าเป็นรัพย้มีความเชื่อด้วยปัญญาเชื่อด้วยเหตุและผลมีศรัทธาความเชื่อมั่นและก็มีการปฏิบัติ นิจ่าฆ่าความเสียสละอ่านี่เขเป็นทรัพย์ที่สองเรียกว่าจาคาทนังศีรษะทนังความสํารวมกายวาจาใจให้เป็นปกติไม่ให้มีโทษเล่นสิ่งที่เป็นโทษทําสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มัเรียกว่าศีรษะทะนังศีลเป็นทรัพย์ อันประเสริฐเป็นทรัพย์ภายในพระหูสัจจะท่านังความเป็นผู้มีโสตปราสารมีหูและใจมีหูได้ยินได้ฟังเสียงที่เป็นเหตุเป็นผลมีใจได้นึกคิดตึกตองตามเหตุและผลนั่นนั้นก็จะรู้ระรู้วางรู้เว้นการกระทำสิ่งที่เป็น โทษน่าจะทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ท่านจริงว่าการได้ยินได้ฟังธรรมะธรรมโมเป็นทรัพย์อันประเสริฐเรียกว่าพราโหสุจะทธนังหิริธนังคือความละอายแก่ใจลักษณะที่เกิดมีความรู้สึกนึกคิดละอายเมื่อจะทำสิ่งใดที่ จะเป็นไปโดยให้เกิดโทษก็จะรู้สึกมีความละอายในว่าละอายในจิตใจของตนเองแหละท่านก็พูดออกมาอีกว่าละอายต่อการทําบาปทําความเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เกิดความละอายเพราะกลัวว่าทุกข์นั่นจะมาถึงเราทุกขะโตทุกขถานังทําทุกข์แก่ท่าน ทุกนั่นก็จะมาถึงตัวเราีมีหิริความละอายมีโอต ป, ปะความสะดุ้มกลัวต่อโทษต่อภัยกลัวต่อผลวิบากที่จะเกิดขึ้นที่จะให้เราเป็นผู้ได้รับวิบากเป็นความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจนี่มีหิริความละอายโอตปะ ความเกงกลัวเรียกว่าเป็นซับทีนี้ทานังโอตปะทานังปัญญาทานังปัญญานี่แหละเป็นซับ อ, อันเปิดเป็นซับอันเลิศกลัวสิ่งใดๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาอ่าปฏิบัติให้เกิดความเสียสละให้เกิดความเชื่อ ตามเหตุและผลให้เกิดความเสื่อสละสิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์ให้เกิดความมั่นคงของใจเรียกว่าสมาธิธรรมมั่นคงในการทำความดีในการสร้างบุญกุศลในการกำหนดรูปจิตใจของตนเองด้วยความมีสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องกัน ปัญญาเนี่เป็นสิ่งที่วควบคุมทั้งหมดที่จะให้กายเป็นบุญเป็นกุศลให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีแท้จริงว่ารวมกายใจให้ ใ, ใน ธรรมะปฏิบัติหรือปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติธรรมให้เป็นธรรมเสียสละโหริจารทานทําบุญทําทานให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยเจตนานชอบนี่รวมเข้ามาอยู่ที่อยู่ที่ใจของเราเป็นที่ตั้ง ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอำนาจสิ่งที่มีอำนาจเหนือสิ่งใดๆก็คือใจแต่ที่นี่เมื่อกระทำกรรมด้วยใจแล้ว สิ่งที่มีอำนาจเหนือสิ่งใดในสมมติก็คือกรรมกรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้นเมื่อมีเจตนาเมื่อมีความจงใจเมื่อมีความจดจอ่ออยู่กับสัญญารมอะไรเรื่องอะไรเนะี่ยจึงเรียกว่าเป็นเป็นเหตุแห่งกรรมผลวิบากก็จะแสดงออกมาตาม เหตุนั้นๆั่เมื่อมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้รับผลมีใจเป็นผู้รับรู้การปฏิบัติธรรมสิ่งที่สุดยอดสิ่งที่สำคัญเสียสิ่งที่สุดยอดหรือสิ่งที่เป็นฐานเป็นทั้งเป็นทั้งต้นเป็นทั้งยอด ก็คือการปฏิบัติต่อใจที่นี่นี่ที่เรียกว่าจิตภาวนาฝึกฝนฝึกฝนอบรมใจของเราให้มีกุศลรธรรมเป็นเครื่องลูกเครื่องระลึกท่านจึงว่าจาคานุสติให้มีสติกาหนดรู้ระลึกถึง ทานศีลภาวนาที่เราได้ระพิปฏิบัติแล้วเป็นอารมณ์หรือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเอาพุโทโธพุธโทโธเป็นอารมณ์ของใจเป็นหลักเอาพุโทโธเป็นหลักเอาพุโทโธเป็นบ้านเป็นเรียน เป็นที่อาศัยของใจถ้าเปรียบเหมือนกับกายมีบ้านมีเรียนเป็นที่อาศัยนี่เอาพุโทโธเป็นอารมณ์เป็นอาหารของใจให้ใจนี่ส่องเสพหรือละลึกรู้อยู่กับคาว่าพุโทโธพุธโทโธเพราะพุโทโธเป็นคุณนามของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ารู้ถ้าตื่นต่อสภาวะธรรมตามเป็นจริงแล้วจิตใจก็เบิกบานรู้ตื่นต่อความเป็นจริงเช่นความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันเป็นธรรมชาติเกิดถ้าเกิดแล้วก็เป็นทุกข์พิจารณาให้เข้าใจตามผลแ ถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงของธรรมเออเพราะเพราะเกิดอะมันจึงเป็นทุกข์ทุกข์กายมีการเกิดมีรูปมีร่างกายมีอวัยวะธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะอันก็มีสิ่งสัมผัสสัมพันธ์แต่ทุกข์ในกายจึงมีเก็บท่องปวดศีรษะเป็นโรคภัยไข้เจ็บปวด ท้องปวดศีษะปวดประสาทปวดมีความทุกข์เกิดขึ้นทางกายเพราะมีการเกิดอย่างเดียวถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ความทุกข์ทางใจก็จะสงบไปเพราะเกิดจึงแกจึงเก็บจึงตายเพราะได้จึงเสีย เพราะมีจึงเสียพอหลงในความเสียไปจึงเป็นทุกข์นี่คือถ้าไม่รู้ความเป็นจริงล่ะมันจะเป็นทุกข์จิถ้ารู้ความเป็นจริงด้วยสติปัญญาอะเรี ว, ว, ว่ารู้ธรรมะตามเป็นจริงใจจริงจะถอนอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่น จึงจะเป็นความปล่อยความวางใจจึงจะเบิกบานาเรียกว่าเบิกบานต่อความเป็นจริงรู้ตื่นเบิกบานแถวพุทโธเป็นอารมณ์ของใจยืนเดินนัง่งนอนกินดื่มทำผู้คิดเวลาเราจะคิดจะนึกเรื่องการงานสมมติโลกที่จะกระทา มีสติกำกับรู้เวลาหยุดนึกคิดเรื่องการเรื่องงานปัจจุบันที่จะทำแล้วนึกพุโทโธพุธโทโธฝึกรู้พุโทโธเป็นอารมณ์ถึงเวลาเราจะภาวนาเราจะไหวพระสวดมนต์เราหยุดทำกิจการงานต่างๆแล้วเป็นเวลาพักผ่อนแล้ว เรามาเจริญธรรมะด้วยการไหว้ผ้าสวดมนต์กำหนดสติและลึกรู้กับการสวดมนต์และลึกรู้กับการบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธมันก็ตั้งมั่นได้เร็วเพราะเราฝึกซ้อมให้มีความสำนิสสำนานอยู่ในทุกอิริยาบถอยู่แล้วเมื่อเวลา แล้วจะให้คิดใจอยู่กับอารมณ์มันเดียวก็อยู่ได้อยู่ได้เร็วมีความมั่นคงอารมณ์เดียวเป็นการพักผ่อนคิดใจไม่ไปปรุงฟุ้งเพราะความปรุงฟุ้งตามสัญญาอารมณ์ต่างๆไปมันเป็นเหตุให้กระเทือนทางจิดใจเรียกว่าใจไม่ได้พักผ่อนเรียกว่าใจเป็นทุกข์ ถ้ารู้ระรู้วางรู้สงบเข้ามารวมเข้ามารู้อยู่เฉพาะความรู้ภายในเป็นปกติอันเดียวเรียกว่าใจได้พักพอนใจมีกำลังใจมีความสุขนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมะการฝึกฝนอบรมธรรมะนับตั้งแต่ส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกาย มีการให้ทานด้สัารวมระวังรักษาโทษที่จะเกิดขึ้นเรกว่ารักษาศีลเข้ามาเรื่องภาวนาเป็นเรื่องสฉพาะใจอันเดียวสมาธิและปัญญาเป็นเรื่องควบคุมใจรู้ที่ใจอันเดียวใจรู้เหตุผลตามความเป็นจริงนั่นเรียกว่าปัญญารู้แจ่มแจ้งในสภาวะธรรมทั้งหลาย มันก็วางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความเห็นผิดถือผิดไม่มีเห็นถูกเห็นชอบตามสภาวาธรรมใจก็ปลอดโป่งโล่งเป็นธรรมเรียกว่ามาเป็นธรรมที่ใจนี่อยู่ที่นี่สมบัติธรรมเหตุที่ให้เกิดแห่งธรรมและสมบัติที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นธรรม ก็คือกายกับใจของเราเท่านั้นอยู่ในที่นี่ทั้งหมดนี่ให้ศึกษาทำรรอบรมทรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติต่อกายต่อใจมีความยินดีในการทำความดีแหะพูดง่ายๆสิ่งไหนที่ดีให้มีนิสัยให้มีความยินดีทำพูดดีทำดี นึกคิดดีรวมใจให้มีอารมณ์ดีๆเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกของใจแล้วเราจะมีความสุขมีความเจริญของใจใจเจริญ เ, เรียกว่าเจริญด้วยความสุขใจนึ่แหละความเอิบอิม่มด้วยปิติความอิ่มใจด้วยสันติคือความสงบใจ สงบจากเครื่องเล่าร้อนทั้งหลายรวมเข้ามาเป็นเรื่องที่ใจทั้งนั้นถ้าหาว่ามันไม่สงบทรส่งออกไปภายนอกใจเล่าร้อนเล่าร้อนตามกิเลสเล่าร้อนตามความโลภตามความอยากต่างๆยิ่งส่งไปยิ่งคิดไปปรุงไปร้อนไปเรื่อยสงบเข้ามาสู่ความเป็นธรรมคือรวมเข้ามา เกิดปิติธรรมเกิดความสงบของใจเกิดความมั่นคงของใจเกิดความรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงแหละมันละมันวางเองภายในใจของเราเคยทุกข์อยู่มันหายไปเลยทุกข์ถ้าเข้าใจความจริงในธรรมมีผู้ใคร่ธรรมผู้ยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรม ดังที่กล่าวมานี่แหละยอมเป็นผู้เจริญมีความสุขในธรรมมีความเจริญในธรรมได้เพราะทนไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่สมบัติกายกับใจของเราทำความรู้ความเห็นให้ยินดีในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่แหละ ส่วนกิเลสอาสวะมันไม่เห็นไม่เห็นการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมว่าเป็นความสุขความจเจริญความสบายมันจะเอาให้ได้ตามความอยากที่นึกที่คิดขึ้นมาที่เห็นขึ้นมาอยากก็อยากได้สิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อความสุขมันแหละเมื่ออยากเท่าไรตามไปเท่าไรมันก็ไม่เป็นความสุขอันยิ่งได้ เป็นความสุขนิดนิดน่ดนอยเส้นความอยากวัตถุสิ่งของเงินทองเข้าของต่างๆยศท้าบรรดาศักดิ์ดาบยศสรรเสริญมันไม่เป็นความสุขอันแท้จริงความสุขโดยทรรมดังที่กล่าวมันสุขเพราะทานการให้สุขเพราะสติมั่นคงรู้จิตใจ ไม่ฟุ้งซ่านลำคาญสุขเพราะความเห็นเข้าใจในสภาวะทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่เป็นไปตามความอยากของใครนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาตามความเป็นจริงแล้วู้ตื่นเบิกบานตามความจริงได้ได้อธิบายธรรมะ เป็นเครื่องอบรมใจตามแนวแห่งทานศีลภาวนาซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้มีการปฏิบัติให้มีทานให้ปฏิบัติให้มีศีลคือเร่อนจากโทษแล้วให้เจริญ สติปัญญาเป็นเครื่องอบรมจิตใจของตนเองนี่เป็นหนทางนำไปสู่ความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ได้นำมาสีแกงแสดงอธิบายให้ผู้ประพฤตริรมปฏิบัติธรรมผู้ใข่ในธรรมทั้งหลาย ได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนาิโกน้อมเข้าสู่ใจแอน้อมจิตใจคือความรู้ของเราสติปัญญาของเราให้ยินดีในการประพฤติปฏิบัติตามหนทางอันชอบนี่แหละต่อแต่นั่นไปพวกเราก็จะประสบพบความสุขความเจริญในาศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ยังได้สแสดงมาเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยพระการชนีอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวัสมิสตุสังเวผูเรนตุสังกปาจันโดปนรารโสยถามณีชโชธิราโสยถาสภิตโ ย, ยวัชันตุ สัมภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันทรายโยสุขีธีขายยโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปจิโนจตตารโอธรมมวทันติอายุวันโอสุขังภาลาง